เท่ากับที่วิตกกังวลเรื่องนักเคลื่อนไหวและผู้ฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์ภายในประเทศ น, ศสนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยชาวไทยที่ฉลาดปราดเปรืองหลายคนได้นหนีก็ไปอยู่ในป่าทางภาคอีสานของไทย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 นับเป็นการกุกขามที่ดูน่าวิตกยิ่งทั้งทหารและฝ่ายปกครองหาทางแก้ไขปัญหาโดยใช้กลยุทธ์สามอย่างดังต่อไปนี้ 1. การอดกลั้นฝ่ายทหารไม่ได้โจมตีฐานที่มั่นของพวกคอมมนิตแม้ว่าทหารทุกคนจะรู้ดีว่ามันตั้งอยู่ที่ไหนบ้าง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 พวกคอมมนิส์ได้จับพระทุดงที่กำลังปฏิบัติภาวนาอยู่ในป่าทรมานและก็ฆ่าเสียหลายองค์ 2. การให้อภัยได้มีการเนรทศกรรมอย่างไม่มีเงื่อนไขตลอดช่วงเวลาอันตรายนี้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 ทิงสองสามเดือนหลังจากที่พวกคอมมิวนินสต์ได้ซุ่มโจมตีรถจีบคันใหญ่ที่นอกหมู่บ้านและฆ่าทหารไทยที่นั่งมาเต็มคันรถทิง้งพวกหนุ่มๆในหมู่บ้านส่วนใหญ่รู้เห็นเป็นใจกับทหารคอมมิวนิสต์เพียงแต่ไม่ได้ลงมือกระทำการต่อสู้เท่านั้นเขาบอกอาตมาว่าเขาเพียงแค่โดนข่มขู่แต่ก็ได้รับอนุญาตให้ไปไหนมาไหนาได้โดยเสยรี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 คนแล้วคนเล่าที่ทิ้งอาวุธปืนแล้วกลับไปหาครอบครัวบ้านกลับเข้าหมู่บ้านบ้านกลับเข้ามาหาวิทยาลัยตั้งแต่ประมาณพุทธศักราช2523เป็นต้นมาแทบจะไม่มีผู้ต่อต้านการปกครองเหลืออยู่เมื่อนั้นบรรดานายพลของกองทหารในปา่าซึ่งเป็นผู้นำคอมมินิต์จึงยอมแพ้ อาตามา ย, ยังจําได้ว่าเคยเห็นบทความสารคดีในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสเรื่องนักธุรกิจหัวใสคนหนึ่งพานักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าไปในป่าเพื่อเยี่ยมชมถ้าร้านต่างๆที่ครั้งหนึ่งพวกคอมมินิตเคยอาศัยในระหว่างกุกขามชาติบ้านเมืองของตนเกิดอะไรขึ้นกับเหล่าหัวหน้าผู้ก่ อ, อ ก, การต่อต้านการปกครองพวกนั้น